สเซริส ก, กะเปตวัตุเรื่องเซริส ก, กะเปตพระควัมปติกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังคำของเทวดาและพวกพ่อค้าที่ได้มาพบกันในทางทะเลทรายในคราวนั้นและขอเชิญทุกท่านฟังถ้อยคำตามที่เทวดาและพวกพ่อค้ากล่าวสนทนากันยังมีพระราชาผู้ทรงยศพระนามว่าปายาสิได้เกิดร่วมกับหมู่ภู ม, มิเทวดา มีบริวารยศบันเทิงอยู่ในวิมานของตนเป็นเทวดาแต่ได้มาสนทนากับพวกมนุษย์เจรีส ก, กะเทพบระบุถามพวกพ่อค้าด้วยคาถาว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้กลัวทางคดเคี้ยวมีใจหวาดวันอยู่ในที่หน้าระแวงว่ามีภัยในป่าในถิ่นของอมนุษย์ในทางกันดานซึ่งมีน้ำมีอาหารไม่เพียงพอเดินไปได้แสนยาบถกลางทะเลทราย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 อันนึงพวกท่านหวังอะไรเพราะเหตุไรจึงไม่พิจารณาให้ถี่ท่วนตามกันเข้ามายังประเทศถิ่นนี้พร้อมกันเพราะความโลภความกลัวหรือเพราะความหลงผู้พ่อค้าตอบว่าพวกเข้าพเจ้านั้นเป็นพ่อค้ากวีนอยู่ในแคว้นมคตและแคว้นอังคะต้องการทรัพย์หวังกำไรจึงบรรทุกสินค้ามามากพากันไปยังสินธุประเทศและโสวีระประเทศ กลางวันพวกข้าพเจ้าทุกคนทนความกระหายน้ำไม่ได้ทั้งมุ่งหวังจะอนุเคราะห์สัตว์พานะจึงรีบเดินทางมาในกลางคืนซึ่งเป็นเวลาวิการพวกข้าพเจ้าไปผิดทางจึงหลงทางสับสนเหมือนคนตาบอดเดินหลงเข้าไปในป่าที่ไปได้ยากแสนยากท่ามกลางทะเลทรายเกิดงุนงงสงสัยไม่รู้ทิศทางท่านที่ควรบูชาพวกข้าพเจ้าได้พบวิมานอันประเสริฐ และตัวท่านซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนนี้จึงหวังจระรอดชีวิตยิ่งกว่าแต่ก่อนเพราะได้เห็นจึงพากัน ร, ร่าเริงดีใจและเบิกบานใจเทพบุตรถามว่าเพราะพวกข้ัตริย์เป็นต้นเหตุพวกท่านจึงพากันไปยังทิศทางต่างๆคือฝั่งสมุทรทะเลทรายทางที่ต้องใช้เครื่องหวายทางที่ต้องตอกถอยทางที่มีแม่น้ําและทางภูเขาที่ไปได้ยาก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 พอเขาไเจ้าแลดูแล้วไม่อิ่มเลยที่วิมานของท่านมีสะโบขรณีลอยอยู่ในอากาศมีสวนดอกไม้มากมายมีบัวขาวมากมีหมูไม้ผลิดอกออกผลเป็นนิดโชยกลิ่นหอมตลบอบอวนเสา ว, วิมานเหล่านี้เป็นเสาแก้วไพยถูลสูงร้อยศอกประดับด้วยแก้วผลึกแก้วประพานแก้วลายและทับทิมมีรัศมีโชดช่วง วิมานของท่านนี้มีเสาพันต้นภายในประกอบด้วยแก้วภายนอกล้อมรอบด้วยภัยทีทองคำและมุงบังอย่างดีด้วยแผ่นทองคำมีอนุภาพหาที่เปรียบไม่ได้งามอยู่บนเสาเหล่านั้นวิมานของท่านนี้สว่างสวัยด้วยทองชมพูนุชชันเยี่ยมทุกส่วนของวิมานเกลื่อนกล่าวดีประกอบด้วยบันไดและพื้นหน้าพอใจมั่นคง งดงามมีส่วนประกอบกลมกลืนชวนพิศอย่างยิ่งน่าชอบใจภายในวิมานแก้วมีข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์ตัวท่านมีหมู่เทพอับสอนห้อมล้อมกึกก้องด้วยเสียงตะโพนเปิงมางและดูริยางเป็นผู้ที่ทวยเทพนอบน้อมแล้วด้วยการชมเชยและกราบไหวตัวท่านนั้นมีอนุภาพสุดที่จะคิดประกอบด้วยคุณทุกอย่างผู้อันมูเทพนารีปลูกเรา้า บันเทิงอยู่ในวิมานประสาทที่ประเสริฐน่ารื่นรมใจเหมือนเท้าเวสวร์บันเทิงอยู่ในนลินีสถานท่านเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์เป็นเท้าสักกะจอมเทพหรือเป็นมนุษย์พวกพ่อค้าวเวียนถามท่านโปรดบอกด้วยเถิดท่านเป็นเทวดาชื่ออะไรเทพบุตรตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาชื่อเสริสักกะเป็นผู้รักษาทางกันดารคุ้มครองทางทะเลตาย ทำตามคำสั่งท้าวเวสวรรณจึงดูแลรักษาประเทศถิ่นนี้อยู่พวกพ่อค้าถามว่าวิมานนี้ท่านได้ตามความปรารถนาหรือเกิดโดยความเปลี่ยนแปลงท่านทำเองหรือเทวดาทั้งหลายมอบให้พวกพ่อค้าขวีนถามท่านว่าวิมานที่น่าชอบใจนี้ท่านได้มาอย่างไรเทพบุตรตอบว่าวิมานนี้มิใช่ข้าพเจ้าได้ตามความปรารถนา มิใช่เกิดด้วยการเปลี่ยนแปลงมิใช่ข้าพเจ้าทำเองทั้งมิใช่เทวดาทั้งหลายมอบให้วิมานที่น่าชอบใจนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยบุญกรรมอันดีงามของตนผู้พ่อค้าถามว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติและเป็นพรหมจันทร์ของท่านนี้เป็นวิบากแห่งบุญกรรมอะไรที่ท่านสั่งสมไว้ดีแล้วผู้พ่อค้าเกวียนถามท่านว่าวิมานนี้ท่านได้มาอย่างไรเทพบุตรตอบว่า ข้าพเจ้าได้มีนามว่าปายาสิเมื่อครั้งข้าพเจ้าครองราชสมบัติแคว่งโกศลข้าพเจ้าเป็นนักเถกทิฐิเป็นคนตรนีมีทำเลวซามและมีปกติกล่าวว่าขาดศูนได้มีสมณะผู้พหูสูดนามว่ากุมารกัสปะซึ่งเลิกทางกล่าวธรรมได้อย่างวิจิตไพราะครั้งนั้นท่านได้กล่าวธรรมกถาโปรดข้าพเจ้าได้ช่วยบรรเทาทิฐิที่เป็นข้าศึกทางใจของข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าฟังธรรมกถาของท่านแล้วได้ประกาศตนเป็นอุบาสกงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์ในโลกยินดีเฉพาะพัญญาของตนไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มน้ำเมาข้อนั้นเป็นข้อปฏิบัติและเป็นพรหมจรรย์ของข้าพเจ้านี้เป็นวิบากแห่งบุญกรรมนั้นที่ข้าพเจ้าสั่งสมไว้ดีแล้ววิมานนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยบุญกรรมอันดีงามนั้นนั่นเอง พูกพ่อค้าถามว่าทราบมาว่าคนมีปัญญาทั้งหลายพูดแต่คำจริงคำพูดของบัณฑิตทั้งหลายจึงเมื่อกลับกลายเป็นอย่างอื่นคนทำบุญไว้จะไปที่ใดย่อมมีแต่สิ่งที่น่ารักน่าใคร่บันเทิงอยู่ในที่นั้นณนะที่ใดมีความโศกความร่ำไห้การฆ่าการจองจําและเหตุเกิดเรื่องเลวร้ายคนทาบาปไว้ก็จะไปในที่นั้น ไม่พ้นจากคติที่ชั่วไปได้ไม่ว่าในการไหนพ่อกุมารเพราะเหตุอะไรหนาเทพบริวารจึงเป็นเสมือนผู้ฟั่นเฟือนไปในชั่วครู่นี้เหมือนน้ำใสถูกกวนให้ขุนเพราะเหตุไรหนาเทพบริวาร น, นี้และตัวท่านจึงได้มีความโทมนัสเทพบุตอบว่าพ่อทั้งหลายกลิ่นทิพเหล่านี้โชยกลิ่นหอมระรื่นจากป่าไม้ซึ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 ส่วนข้าพเจ้าจะตามคุ้มครองท่านทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายไปยังที่ที่ท่านทั้งหลายปรารถนาโดยความสวัสดีเถิดพวกพ่อค้ากล่าวว่าพวกข้าพเจ้าต้องการทรัพย์หวังกำไรจึงพากันไปยังสินธุประเทศและโสวีระประเทศแล้วจากประกอบกรรมที่ได้รับรองไว้ตามสมควรมีการเสียสละอย่างบริบูรณ์กระทาการบูชาเสรีสกเหบุตระอย่างโอฬาน เทพระบุตรกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ทำการบูชาเซริสกะเทพระบุตรเลยสิ่งที่ท่านทั้งหลายพูดถึงทั้งหมดจกมีแก่พวกท่านท่านทั้งหลายจงงดเว้นกรรมชั่วและจงตั้งใจประกอบตามธรรมในหมู่พ่อค้าเกวียนนี้มีอุบาสกผู้เป็นปหูสูตรมีศีลและวัดมีศรัทธามีจาคะมีศีลเป็นที่รักอย่างยิ่งมีวิจารณญาณสันโดษมีความรู้ ไม่พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่พูดสอเสียดให้เขาแตกกันพูดแต่วาจาอ่อนหวานละมุนละม่อมเขามีความกรบยำเกรงมีวินัยไม่เป็นคนเลวเป็นผู้บริสุทธิ์ในอธิสีนมีความประพฤติประเสริฐเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรมเขาเห็นจะสแสวงหาโพกษะเพราะเหตุแห่งมารดาบิดามิใช่เพราะเหตุแห่งตน เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปเขาค็นน้อมไปในเนคขมมะประพฤติพรหมจรรย์เขาเป็นคนซื่อตรงไม่คดโกงไม่โ อ, โอ้อวดไม่เจ้าเล่ห์ไม่พูดมีเล่ในเขาทำแต่กรรมดีตั้งอยู่ในธรรมเช่นนี้จะพึงได้รับทุกข์อย่างไรเล่าเพราะอุบาสกนั้นเป็นเหตุเข้าพปเจ้าจึงได้ปรากฏตัวพ่อค้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเห็นธรรมเถิดเพราะเว้นอุบาสกนั้นเสียแล้ว ท่านทั้งหลายจะสับสนเหมือนคนตาบอดหลงเข้าไปในป่าเป็นเท่าทานไปการทอดทิ้งผู้อื่นเป็นการง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่เป็นการยากสำหรับสัตว์ปรุษลดการคบหาสัตว์ปรุษจึงนำความสุขมาให้อย่างแท้จริงพวกพ่อค้าถามว่าอุบาสกคนนั้นคือใครและทำงานอะไรเขาชื่ออะไรและโคดอะไรข้าแต่เทวดา แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ต้องการเห็นอุบาสกนั้นที่ท่านมาที่นี้เพื่อช่วยเหลืออุบาสกที่ท่านชอบเป็นคนโชคดีเทพบุตรตอบว่าผู้ที่เป็นกระบกที่มีชื่อว่าสัมภวะอาศัยการตัดผมเลี้ยงชีพเป็นคนรับใช้ของพวกท่านท่านทั้งหลายจงรู้ว่าเป็นอุบาสกท่านทั้งหลายอย่าดูหมิ่นเขาเขาเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักยิ่งพวกพ่อค้ากล่าวว่า ข้าแต่เทวดาพวกข้าพเจ้ารู้จักช่างตัดผมคนที่ท่านพูดถึงดีแต่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนเช่นนี้เลยแม้ข้าพเจ้าทั้งหลายฟังคำของท่านแล้วก็จักบูชาอุบาสกนั้นอย่างโอฬ า, ารเทพบุตรกล่าวว่าพวกผู้คนในกองเกวียนนี้ไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่หรือคนปูนกลางทั้งหมดทุกคนนั้นเชิญขึ้นไปบนวิมานพวกคนตรณีจงดูผลของบุญทั้งหลาย พระธรรมสังคีติกาจาร์กล่าวหคาถานในตอนจบเรื่องว่าพ่อค้าทุกคนณที่นั้นต่างคนต่างเข้าห้อมล้อมช่างตัดผมนั้นพากันขึ้นวิมานซึ่งเสมือนพบเดาวดึงของเท้าวาสวะพร้อมกล่าวว่าเราก่อนเราก่อนพ่อค้าทุกคนนั้นต่างประกาศความเป็นอุบาสกณที่นั้นว่าเราก่อนเราก่อนแล้วได้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นขาจากการลักทรัพย์ในโลกยินดีเฉพาะพัญญาของตนไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มน้ำเมาพ่อค้าทุกคนครั้นต่างคนต่างประกาศความเป็นอุบาสกณนะที่นั้นแล้วได้ไปยังสถานที่ที่ตนปรารถนาโดยสวัสดีหมู่พ่อค้าเกวียนบันเทิงอยู่ด้วยเทวริษเนือ ง, งได้รับอนุญาตแล้วหลีกไปพ่อค้าเหล่านั้นต้องการทรัพย์หวังกาไร ไปถึงสินธุและโสวีระประเทศพยายามค้าขายตามปรารถนามีลาบบริบูรณ์กลับมาเมืองปัตตลีบุตรโดยปลอดภัยพ่อค้าเหล่านั้นไปเรือนของตนมีความสวัสดีพร้อมหน้าบุตรพัญญามีจิตเพลิดเพลินดีใจปลาปลื้มบูชาเซริสกะเทพบุตรอย่างโอฬานด้ช่วยกันสร้างเทวัลชื่อเซริสกะขึ้น การคบสัตบุตให้สำเร็จประโยชน์อย่างนี้การคบผู้มีคุณธรรมมีประโยชน์มากพ่อค้าทั้งหมดได้ประสบความสุขเพราะผลอันสืบเนื่องมาจากอุบาสกคนเดียวเซริสกะเปตวัตุที่สองจบภาณวาระที่สจบ สนันตกะเปตวัตุเรื่องนันตกะเปรตเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นพระสังคีติกาจาร์ทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปิงคลลกะเป็นใหญ่แห่งชาวสุรทาวิสัยเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าโมริยะแล้วกลับมาถึงทางที่จะไปยังสุรทาวิสัยอีกเสด็จมาถึงทางโค้งในเวลาที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาร้อน ได้ทอพระเนตรเห็นทางที่น่ารื่นรมเป็นทางทรายที่เปรตเนรมิตไว้นั้นจึงตรัสบอกนายสารถีว่าทางนี้น่ารื่นรมปลอดภัยสะดวกปลอดโปร่งสารถีพวกเราตรงไปทางนี้แหละจากที่นี้ไปไม่ไกลก็จะถึงสุรัฐประเทศพระเจ้าสุรัตได้เสด็จพระราชดำเนินไปทางนั้นพร้อมด้วยกองทัพสี่เหล่า บุรุษคนหนึ่งตกใจกลัวได้กราบทูลพระเจ้าสุรัตดังนี้ว่าพวกเราเดินทางผิดเสียแล้วเป็นทางน่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าเพราะทางปรากฏเฉพาะข้างหน้าแต่ข้างหลังไม่ปรากฏพวกเราเดินผิดทางเสียแล้วเห็นจะมาใกล้พวกเปรตกลิ่นอมนุษย์ฟุ้งมาข้าพระองค์ได้ยินเสียงพิลึกน่าสะพริงกลัวพระเจ้าสุรัตทรงตกพระทยัย ตรัสกับนายสารธีดังนี้ว่าพวกเราเดินทางผิดเสียแล้วเป็นทางน่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวทางปรากฏเฉพาะข้างหน้าแต่ข้างหลังไม่ปรากฏพวกเราเดินผิดทางเสียแล้วเดินมาใกล้พวกเปรตกลิ่นอาบมนุษย์ฟุ้งมาเราได้ยินเสียงพิลึกน่าสะพรึงกลัวจึงเสด็จขึ้นคอช้างทอดพระเนตรไปทั่วทั้งสี่ทิศทรงเห็นต้นไซ ย, ย้อยต้นหนึ่ง มีร่มหนาทึบดีเขียวชะอุ่มคล้ายสีเมฆทั้งสีและสันธานก็คล้ายเมฆจึงรับสั่งกับนายสารธีว่าปลาใหญ่เขียวชะอุ่มดุดสีเมฆทั้งสีและสันธานคล้ายเมฆปรากฏอยู่นั่นใช่ไหมนายสารธีกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้านั่นต้นไซย้อยมีร่มหนาทึบดีเขียวชะอุ่มคล้ายสีเมฆมีสีและสันธานก็คล้ายเมฆ พระเจ้าสุรัตเสด็จพระราชดำเนินไปจนถึงป่าใหญ่ซึ่งเขียวชอุ่มคล้ายสีเมฆทั้งสีและสันฐานก็คล้ายเมฆปรากฏอยู่เสด็จลงจากคอช้างแล้วเสด็จเข้าไปใกล้ต้นไม้ประทับนั่งที่โคนไม้พร้อมทั้งหมู่อมารษข้าราชบริพารได้ทอดพระเนตรเห็นขันน้ำเต็มและขนมที่ถูกพระไทยบุรุษผู้มีรูปลักษณ์ดังเทพประดับอาพรพร้อมศัพท์ เข้าไปเฝ้าพระเจ้าสุรัตแล้วเรียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วและก็มิได้เสด็จมาร้ายข้าแต่พระองค์ผู้ทรงกำจัดศัตรูเชิญพระองค์ผู้ประเสริฐเสวยน้ำและเสวยขนมเถิดพระเจ้าสุรัตพร้อมด้วยอมตะและข้าราชบริพารพากันดื่มน้ำและกินขนมแล้วจึงตรัสถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทัน หรือเป็นเท้าสักกะบุรินทะพวกเราไม่รู้จักจึงขอถามท่านพวกเราจะพึงรู้จักท่านได้อย่างไรนันทกะเปรตกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันทั้งไม่ใช่เท้าสักกะบุรินทะข้าพระองค์เป็นเปรตมาจากถินสุรัตวิสัยมาอยู่ที่นี้พระราชาตรัสถามว่าเมื่อก่อนท่านอยู่ในสุรัตวิสัย มีปกตินิสัยอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรเพราะความดีอะไรท่านจึงมีอนุภาพอย่างนี้นั่นทากะเปรดกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้ทรงปราบอริราชศัตรูทรงพดุงรัฐให้เจริญขอพระองค์ทรงสดับความนั้นอมาตย์ข้าราชบริพารและพราหมณ์ปุโรหิตก็เชิญสดับด้วยขอเดชะเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นบุรุษ อยู่ในสุรทธวิสัยเป็นคนใจบาปเป็นมิชา่ิทิฐิทุศีตระนีและด่า ว, ว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อชนเหล่าอื่นกำลังทำบุญให้ทานเขาพระเจ้าก็ทำอันตรายเสียซ้ำยังห้ามหมู่ชนว่าผลทานไม่มีผลแห่งความสำรวมจกมีแต่ที่ไหนใครผู้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ไม่มีใครเล่าจากฝึกฝนบุคคลผู้ไม่เคยฝึกฝนได้ สัตว์ทั้งหลายเท่าเทียมกันผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจึงไม่ต้องมีกำลังหรือความเพียรก็ไม่ต้องมีความผ้าเพียรของบุรุษจกมีแต่ที่ไหนธรรมดาผลทานย่อมไม่มีใครจะทาบุคคลผู้มีเวรให้หมดจดด้วยทานไม่ได้สัตว์ย่อมได้สุขหรือทุกข์ที่ควรได้เองสุขหรือทุกข์ที่เกิดจากการแปรผันสัตว์นามาเอง มารดาไม่มีบิดาไม่มีพี่ชายไม่มีน้องชายไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีทานที่บุคคลให้แล้วย่อมไม่มีผลการบูชาก็ไม่มีผลทานและการบูชาที่ตั้งไว้ดีแล้วก็ไม่มีผลคนแม้ฆ่าคนหรือตัดคอคนอื่นก็ไม่ชื่อว่าใครฆ่าใครเป็นแตกสัตตราเสียบเข้าไปในระวางช่องกายทั้งเจ็ดช่อง ชีวะของสัตว์ทั้งหลายไม่ถูกตัดไม่ถูกทำลายบางคราวมีแปดเหลี่ยมบางคราวกลมเหมือนงบน้ำอ้อยบางคราวสูงห้าร้อยโยต์ใครเล่าสามารถจะตัดชีวะให้ขาดได้เหมือนเมื่อกลุ่มได้ที่ถูกขว้างไปกลุ่มได้นั้นย่อมคลายกลิ้นไปได้ชันใดถึงชีวะนั้นก็ชันนั้นเหมือนกันย่อมแวกหนีออกไปจากร่างได้ เหมือนบุคคลออกจากบ้านหนึ่งเข้าสู่บ้านหนึ่งชั้นใดถึงชีวานั้นก็ชั้นนั้นเหมือนกันออกจากร่างหนึ่งเข้าสู่อีกร่างหนึ่งเหมือนบุคคลออกจากเรือนหลังหนึ่งเข้าสู่อีกเรือนหลังหนึ่งชั้นใดถึงชีวานั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันออกจากร่างหนึ่งเข้าสู่อีกร่างหนึ่งครั 8, 000, ้นสิ้นกำหนด8ปดล้านสี่แสนมหากรับสัตว์ทั้งหลายจะเป็นพานหรือบัณฑิตก็ตาม จากยังสังสารวัตให้สิ้นไปแล้วจากทาที่สุดทุกข์ได้เองสุขและทุกข์เหมือนตักตงได้ด้วยทนานและกระบุงพระชินเจ้าย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมู่สัตว์นอกนี้ล้วนเป็นผู้ลุ่มหลงเมื่อชาติก่อนข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้จึงได้เป็นคนหลงถูกโมหะครอบงำเป็นมิจฉาทิฐิทุศีลตรณีและด่า ว, ว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ภายในหกเดือนข้าพระองค์จากตายจากตกนรกอันเร่าร้อนแสนสาหัสนรกนั้นมีสี่เหลี่ยมมีประตูสี่ด้านกรมสร้างจำแนกไว้เป็นส่วนๆล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นนรกนั้นล้วนเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลว เ, เ, เพลิงประกอบด้วยความร้อนแผ่ไปรอบตลอดร้อยโยดอยู่ตลอดกาลล่วงไปหนึ่งแสนปีในการนั้น ข้าพระองค์ได้ยินเสียงเอื่ออื่องว่าเพื่อนยากทั้งหลายเมื่อพวกท่านไม่อยู่ในนรกนี้การประมาณหนึ่งแสนปีล่วงไปแล้วข้าแต่พระมหาราชเจ้าร้อยโกรธปีเป็นกําหนดของนรกชนทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิทุศีนและติเตียนพระอริยะย่อมหมกไม่อยู่ในนรกถึงหนึ่งแสนโกรธปี ข้าพระองค์จากเสวยทุกเวทนาในนรกนั้นเป็นเวลายาวนานนี้เป็นผลกรรมอันชั่วช้าของข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเศร้าโศกอย่างหนักข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้ทรงปราบอริราชทรงผดุงรัฐให้เจริญขอพระองค์ทรงสดับความนั้นขอความเจริญจงมีแด่ข้าพระองค์และอุตราธิดาของข้าพระองค์นางทาแต่กรรมดี ยินดีแล้วในนิจศีลและอุโบสถศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรหนีและยินดีในทานเป็นสภัายตระกูลอื่นก็ยังคงรักษาศีลไม่บกพร่องอยู่เป็นนิจและเป็นอุบาสิกา ข, ของพระสักยยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริภิกษุรูปหนึ่งมีศีลสมบูรณ์สำรวมตามีสติคุ้มครองอินทรีย์สำรวมระวังเป็นอันดี เข้ามาบินาบาตยังหมู่บ้านเดินไปตามลำดับตรอกได้มาถึงบ้านนั้นข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอความเจริญจงมีแด่พระองค์นางอุตราได้เห็นภิกษุนั้นแล้วนางได้ถวายน้ําดื่มเต็มขันและขนมอย่างวิจิตรแล้วอุทิศว่าขอผลทานที่ดิฉันถวายแล้วนี้จงสําเร็จแก่บิดาของดิฉันซึ่งตายไปแล้วเถิดเจ้าค่ะ ในขณะที่นาอุทิศนบุญให้นั่นเองวิบากก็เกิดขึ้นข้าพระองค์สาเร็จความประสงค์ดังปรารถนาบริโภคการมสุขอยู่เหมือนเท่าเวสวรรมหาราชข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้ทรงปราบอริราชทรงพรดุงรัฐให้เจริญขอพระองค์จงทรงสดับความนั้นบัณฑิตกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศของโลกพร้อมทั้งเทวโลก ขอพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระอัครมเหสีส่งถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดชนทั้งหลายย่อมบรรลุอมตะบทด้วยมรรคมีองค์8ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปราบอริราชขอพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระอัครมเหสีจงทรงถึงพระธรรมนั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิด พระอรียบุคคลผู้บรรลุอรียมรรคสีและพระอรียบุคคลผู้ดำรงอยู่ในอรียผลสีชื่อว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรงมีศีลสมาธิและปัญญาขอพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระอัครมเหสีทรงถึงพระสงฆ์นั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดขอพระองค์ทรงรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์ ทรงยินดีเฉพาะพระมเหสีของพระองค์ไม่ตรัสคำเทจไม่เสวยน้ำจันเถิดพระราชาตรัสว่าเทวดาผู้ควรบูชาท่านเป็นผู้มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่เราเราจะทำตามคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของเราเราขอถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ประเสริฐกว่าทเท ว, วดาและมนุษย์พระธรรมอันยอดเยี่ยมและประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก เราจะรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์ในโลกยินดีเฉพาะพัญญาของตนจะไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมาเราจะผ่อนคลายความเห็นชั่วเหมือนโปรยกแกลบให้ลอยไปตามลมแรงหรือเหมือนทิ้งเศษไม้ใบหญ้าลงกระแสน้ำเชี่ยวและยินดีในพระพุทธศาสนาพระเจ้าสุรัตเมื่อตรัสดังนี้แล้วทรงงดเว้นจากความเห็นชั่ว ทรงนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จทรงรถพระที่นั่งบ่ายพระพักไปทางทิศตะวันออกนันทกบเบะเปตวัตถุที่สามจบ 4. เรวตีเปตวัตถุ เรื่องนางเรวดีเปรตยักษ์บริวารของท้าวเวสวรรณปรารถนาจะจับนางเรวดีโยนลงไปในอุสุ ธ, ธนรกจึงกล่าวว่าจงลุกขึ้นนางเรวดีผู้แสนจะชั่วช้ามีปกติไม่ให้ทานประตูนรกเปิดแล้วพวกเราจะนำเจ้าไปโยนลงในนรกอันเป็นสถานที่ทอดถอนใจของเหล่าสัตว์นรกผู้มีความทุกข์ทรมานทนทุกข์อยู่ พระสังคีตกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ายักษ์ใหญ่ตาแดงสองตนดุจทูตพยายมนั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็จับแขนนางเรวดีคนละข้างพาไปใกล้หมู่เทวดานางเรวดีถามยักษ์สองตนว่านั่นวิมานของใครมีรัศมีแสงอาทิตย์น่าพอใจเรืองรองงดงามน่าอยู่อาศัยปกคลุมด้วยตาข่ายทอง หนึ่งแน่นไปด้วยเทพบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์หมู่เทพนารีรูปไร้กายด้วยแกนจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์คนที่ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานเป็นใครกันยากสองตนจึงบอกแกน า, นางเรวดีว่าที่กรุงพารณสีมีอุบาสกชื่อนันทิยะ เป็นคนไม่ตรณีเป็นทานนบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอวิมานที่เนืองแน่นไปด้วยเทพบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตนั้นเป็นของนันทิยะอุบาศกมูเทพนารีรูปไล้กายด้วยกันจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตคนที่ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน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 นี่แหละนรกสำหรับเจ้าบุญเจ้าไม่ได้ทำไว้ในมนุษยโลกเพราะคนตรนีมากโกรธมีบาปธรรมย่อมไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้เกิดในสวรรค์นางเรวดีเห็นนายนิริยบาลสองตนพากันมาฉุดคร่าตนเพื่อจะโยนลงไปในคู่นรกชื่อว่าสังสวัสจึงถามถึงนรกนั้นว่าทำไมหนอจึงปรากฏแต่อุจระปัสสวะสิ่งสกปรก เหตุไฉนอุจระนี้จึงมีกลิ่นเหม็นร้ายกากคละคลุ้งไปเล่านายนิริยบาลตอบว่านางเรวดีนรกที่เจ้าจะหมกม่ายอยู่หลายพันปีนี้มีชื่อว่าสังสวกระนรกลึกร้อยชั่วคนนางเรวดีจึงถามว่าฉันทํากรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรหรือหนอจึงตกสังสวกระนรกที่ลึกร้อยชั่วคน นายนิริยาบาลตอบว่าเจ้าลวงสมณพราหมณ์และวณิพกพวกอื่นด้วยการกล่าวเท็จนั่นแหละบาปที่เจ้าทำไว้เพราะบาปนั้นเจ้าจึงตกสังสาวกะนรกที่ลึกถึงร้อยชั่วคนนางเรวดีเจ้าจะต้องหมกไหมอยู่ในนรกนั้นหลายพันปีนายนิริยาบาลทั้งหลายจะตัดมือเท้าหูแม้กระทั่งจมูกอันหนึ่ง แม่ฝูงนกกาก็จะพากันมารุมจิกกินเจ้าที่ดิ้นทุรนทุรายอยู่นางเรวดีกล่าวว่าโปรเถิดพ่อคุณขอท่านทั้งหลายช่วยนำดิฉันกลับไปเถิดดิฉันจักสร้างกุศ ล, ลกรรมที่คนทำแล้วได้รับความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังนั้นให้มากด้วยการให้ทานประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมและการฝึกอินทรีย์นายนิริยบาลกล่าวว่า เมื่อก่อนเจ้าประมาทมัวเมาบาดนี้จะมาร่าให้ทาไมเล่าเจ้าจากต้องเสวยผลกรรมทั้งหลายที่เจ้าทำไว้เองนางเรวเดีกล่าวว่าใครจากเทวโลกไปยังมนุษยโลกเมื่อถูกถามพึงกล่าวถ้อยคำของดิฉันอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงถวายทานคือผ้านุ่งผ้าหม่มที่นอนที่นั่งข้าวและน้า ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ปล่อยวางอาชีาเพราะว่าคนตรหนี่มักโกรธมีบาปธรรมย่อมไม่ได้เกิดร่วมกับผู้ไปสวรรค์ถ้าดิฉันนั้นจากที่นี่ไปได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะรู้ความประสงค์ของผู้ขอสมบูรณ์ด้วยศีลจากสร้างกุศลให้มากด้วยการให้ทานการประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมและการฝึกอินทรีย์ ดิฉันจะปลูกสวนไม้ดอกไม้ผลจกตัดทางเข้าไปในสถานที่ที่เดินลำบากขุดบ่อน้ำและตั้งน้ำดื่มไว้ด้วยใจที่ผ่องใสจกเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์แปดทุกวันขึ้น14ข่ค่ำสิบห้าค่ำและ8ปดค่ำแห่งปักตลอดวันปฏิหารยปักดิฉันผู้สำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและจักไม่ละเลยในการให้ทาน เพราะผลกรรมนี้ดิฉันได้เห็นเองแล้วพระสังคีติกาจาร์กล่าวไว้ว่านายนิริยาบาลทั้งหลายช่วยกันจับนางเรวดีที่กำลังพร่ำเพอ้อดิ้นรนไปมาอยู่อย่างนี้ให้เท้าชี้หัวดิ่งลงไปในนรกอันน่ากลัวนางเรวดีได้กล่าวคาถาสุดท้ายอีกว่าชาติก่อนฉันเป็นคนตรณีด่าว่าสมณพราหมณ์และลวงสามีด้วยเรื่องไม่จริง จึงหมกไหมในนรกที่น่ากลัวเรวตีเปตวัตถุที่สี่จบหอุจุเปตวัตถุเรื่องเปรตเจ้าของไรอ้อยอุจุเปรต ถ, ถามพระมหาโมคลานะเถระว่าไรอ้อยแปลงใหญ่นี้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าเป็นผลบุญมิใช่น้อยเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ากินอ้อยนั้นไม่ได้ท่านผู้เจริญ นิมนท่านบอกด้วยเถิดว่านี้เป็นผลกรรมอะไรเข้าพเจ้าเดือดร้อนอยากจะกินอ้อยพยายามตกเกียกตะกายทนทุกข์จะกินสักหน่อยหนึ่งก็สิ้นเรี่ยวแรงพร่ำเพอรออยู่นี้เป็นผลกรรมอะไรอันหนึ่งเข้าพเจ้าหมดเรี่ยวแรงแล้วส่วนเซลม้มลงดิ้นเร่าเลาอยู่บนพื้นดินเหมือนปลาดิ้นรนอยู่บนโบกที่ร้อนจัดก็เมื่อเข้าพเจ้าร้องไห้อยู่ สัตว์ทั้งหลายพากันมากินน้ำตาของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญนี้เป็นผลกรรมอะไรข้าพเจ้าทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งหิวกระหายปากคอแห้งผากไม่ประสบความสุขสำราญท่านผู้เจริญอย่างไรหนอข้าพเจ้าจึงจะกินอ้อยได้พระมหาโมคลานะเถระกล่าวว่าเมื่อชาติก่อนท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทากรรมไว้ด้วยตนเองเราจะบอก ท่านจงฟังให้เข้าใจท่านเดินกินอ้อยไปบุรุษคนหนึ่งเดินตามหลังท่านและเขาหวังจะกินอ้อยจึงขอท่านท่านไม่ได้พูดอะไรกับเขาและเขาได้วิงวอนท่านซึ่งไม่พูดด้วยได้พูดกับท่านว่าขอท่านให้อ้อยเถิดนายท่านได้ยื่นอ้อยให้แกบุรุษนั้นข้างหลังนี้เป็นผลกรรมนั้นแหละขอเชิญท่านหันหลังไปหยิบเอาครั้นรับแล้ว เชิญกินอ้อยนั้นตามต้องการเถิดเพราะเหตุนั้นแหละท่านจักเป็นผู้ดีใจร่าเริงเบิกบานและบันเทิงใจเปรตนั้นได้หันหลังไปหยิบอ้อยครั้นรับแล้วกินอ้อยนั้นตามความต้องการเพราะเหตุนั้นแหละเปรตนั้นจึงดีใจร่าเริงเบิกบานและบันเทิงใจอุจุเปตวัตถุที่ห้าจบหก กุมาราเปตะวัตุเรื่องกุมารเปรตพระศาสดาตรัสว่าเราได้ฟังมาดังนี้ว่าได้มีกุมารสององค์เป็นพระราชโอรสในครูงสาวัตถีข้างป่าหิมพานพระราชกุมารทั้งสองพระองค์นั้นทรงมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดทรงเพลิดเพลินด้วยอำนาจความยินดีในกามทรงติดความสุขในปัจจุบัน ไม่ทรงเห็นถึงความสุขในอนาคตครั้นเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์นีไปสู่ปาราโลกไม่ปรากฏกายให้ใครเห็นร้องคร่ำครวญถึงกรรมชั่วครั้งก่อนของตนณนะที่ใกล้กรุงสาวัตถีนี้ว่าเมื่อพระทักขีนยบุคคลมีอยู่มากมายและเมื่อทายธ ร, รมก็มีอยู่แต่พวกเราไม่อาจทำบุญซึ่งจะนำความสุขมาให้แล้วทำตนให้มีความสวัสดีแม้เพียงเล็กน้อย อะไรจะพึงเลวกว่ากามนั้นอันเป็นเหตุให้พวกเราเคลื่อนจากราชสกุลแล้วไปอยู่ในเปตะวิสัยเพียบพร้อมไปด้วยความหิวกระหายมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เคยเป็นเจ้าของในที่ใดย่อมไม่ได้เป็นเจ้าของในที่นั้นอีกเป็นผู้เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงย่อมหมุนไปตามความหิวกระหายนรชนทราบถึงโทษ ซึ่งเกิดมีด้วยอำนาจความเมาในความเป็นใหญ่อย่างนี้แล้วและความเมาในความเป็นใหญ่ได้แล้วพึงไปสวรรค์ได้เขามีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์กุมารเปตะวัตุที่6จบ ราชาปุตตะเปตะวัตุเรื่องเปรตราชบุตรพระศ า, าสดาตรัสว่าผลกรรมทั้งหลายที่พระราชโอรสทำไว้ในชาติก่อนพึงย่ายีจิตใจเพราะรูปเสียงกลิ่นรสและผทัพบะที่น่ารื่นรมย์ใจพระราชโอรสจึงได้สวยการฟ้อนรำขับร้องความยินดีและความสนุกสนานเป็นอันมาก ทรงได้รับการบำรุงบำเรอในพระราชอุทยานแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังภูเขาคิริภาชะได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจคพุทธะนามว่าสุเนธผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐฝึกฝนตนแล้วมีจิตตั้งมั่นปรารถนาน้อยสมบูรณ์ด้วยหิริยินดีเฉพาะอาหารที่มีอยู่ในบาทซึ่งได้มาด้วยพิขาจา์จึงเสด็จลงจากคอช้างแล้วได้ตรัสถามว่า ได้พิสาบ้างไหมพระคุณเจ้าถือตัวว่าเป็นกษัตริย์ทรงจับบาตของพระปัจเจกพุทธานั้นชูขึ้นแล้วทุ่มทําลายบาต ท, ที่พื้นดินแข็งทรงพระสวนหลีกไปหน่อยหนึ่งแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากิตตวะท่านจะทําอะไรเราได้กรรมหยาบช้ามีผลเผ็ดร้อนซึ่งพระราชโอรสผู้แออัดอยู่ในนรกเสวยแล้วพระราชโอรส ทำบาปหยาบช้าไว้จึงได้ประสบทุกแสนสาหัสอยู่ในนรก8 4 0 0สสี่หมื่นปีรวมหครั้งเธอเป็นคนผ่านนอนหงายบ้างคว่มบ้างนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาบ้างชี้เท้าขึ้นข้างบนบ้างยืนอยู่บ้างหมกไม่อยู่สิ้นกาลนานข้างละ8 40, ป0 0สี่หมื่นปีเธอทำบาปหยาบช้าไว้ จึงประสบทุกแสนสาหัสอยู่ในนรกหลายพันหลายหมื่นปีบุคคลผู้มีการกระทำอันเป็นบาปพากรรารานเรือสีผู้ไม่ประทุสร้ายต่อผู้ประทุสร้ายผู้มีข้อปฏิบัติ ด, ดีงามจึงได้สวยทุกเผ็ดร้อนอย่างยิ่งเช่นนี้เปรตผู้เป็นราชบุตรนั้นสว่วยทุกเป็นอันมากในนรกหลายแสนปีจุติจากนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตชื่อขุ ป, ปิปาสหาตะ นโรชนทราบถึงโทษซึ่งเกิดมีด้วยอำนาจความเมาในความเป็นใหญ่อย่างนี้แล้วพึงละความเมาในความเป็นใหญ่เสียและประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอผู้มีปัญญามีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญในปัจจุบันนี้แหละเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์ราชปุตตะเปตวัตถุที่เจจ คูทะขาทะกะเปตะวัตุเรื่องเปรตกินคูดพระมหาโมคลานเถระถามเปรตตนหนึ่งว่าท่านเป็นใครหนอโผล่ขึ้นจากหลุมคูดยืนเศร้าส้อยอยู่ท่านคงทำกรรมชั่วไว้โดยไม่ต้องสงสัยจะร้องครวญครางอื้ออึงไปทำไมเล่าเปรตนั้นตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าเกิดเป็นเปรตในโยมโลก ได้รับความลำบากเพราะทํากรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะโลกพระมหาโมคคลานะเถระถามว่าท่านได้ทํากรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงได้รับทุกข์เช่นนี้เปรตนั้นตอบว่าได้มีภิกษุรูปหนึ่งอยู่ประจําในวัดของข้าพเจ้ามัคริสยาตรณีตระกูลผูกขาดในเรือนของข้าพเจ้ามีใจกระด้าง มักดา ว, ว่าภิกษุอคันตุกะทั้งหลายเขาพระเจ้าเชื่อคำของท่านได้ดา ว, ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะผลกรรมนั้นเขาพระเจ้าจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะตโลกพระมหาโมฆลาณเถระถามว่าภิกษุผู้คุ้นเคยกับตระกูลของท่านไม่ใช่มิแทเป็นมิเทียมมีปัญญาสามมรณภาพแล้วไปสู่คติไหนหนอเปรนั้นตอบว่า ข้าพเจ้ายืนอยู่บนกระหม่อมศรีรษะของเปรตซึ่งเคยเป็นภิกษุผู้ทำกรรมชั่วนั้นแหละและภิกษุนั้นไปเกิดเป็นเปรตผู้ปรนิบัติของข้าพเจ้าเองพระคุณเจ้าผู้เจริญชนเหล่าอื่นทายสิ่งใดลงไปสิ่งนั้นเป็นอาหารของข้าพเจ้าและวข้าพเจ้าเองทายสิ่งใดลงไปเปรตซึ่งเคยเป็นภิกษุนั้นก็อาศัยสิ่งนั้นเลี้ยงชีพ คู่ทักขาทะกะเปตวัตุที่8จบ